แสดงว่าเที่ยวเล่นเพลิดเพลินกันดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยนะเป็นผู้กำนัดแล้วยินดีแล้วรักใคร่แล้วหมกมุ่นแล้วพัวพันแล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีได้เห็นพวกบุษย์ในพระนครสาวัตถีโดยมาก เป็นผู้คล่องแล้วในกามทั้งหลายกำหนัดแล้วยินดีแล้วรักใคร่แล้วหมกมุ่นแล้วพัวพันแล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายสูตรก่อนนี้พระพิสุไปบินธบาตแล้วกลับมาเล่าถวายพระพุทธเจ้าแต่เรื่องนี้พระองค์ไปเห็นเองพระองค์ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มืดมนเพราะกามถูกตันหาซึ่งเป็นดุดข่ายปกคลุมเอาไว้แล้วอะตันหานี่มันคลุมมืนก็ถูกแหเลยแหละ <c oughs> ถูกเครื่องมุงคือตันหาปกปิดไว้แล้วถูกกิเลสและเทวปุตตมานผูกพันไว้แล้วย่อมไปสู่ชราและมรณะเหมือนปลาในปากใสเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมไปตามแม่โคฉะนั้นอุปมาสองอย่างนี้น่าจะเห็นชัดนะปลาในปากใสถ้าใครที่มีปกติดักปลาเนี่ยนะคือเาหมายความว่าถ้าน้าไหลเรนเนี่ยเขาจะเอาใสาไปวาง ปลามันขึ้นก็เข้าใส่ปลามันลงไปก็เข้าใส่ชันใดหมูสัตว์นี่ก็อยู่ใกล้ความตายเหมือนกับปลาในปากใสขณะเดียวกันก็ติดพันเพื่อการเกิดในพบใหม่ติดตามผัวพันเหมือนลูกโคที่ดื่มน้ำนมติดตามแม่โคโนมไปฉะนั้นเนี่ยนะติดตามไปเพื่อหวังว่าจะได้ดื่มไปเรื่อยๆสัตว์ทั้งหลายก็ติดพันในการเกิดในพบใหม่ฉันนั้น ที่บอกอบาลีอัตกถาบอกว่าอันทีกตาเนี่ยนะขึ้นชื่อว่ากามย่อมทำผู้ไม่มืดมนให้มืดมนเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุกรมเนี่ยนะหน้าปราถนาหน้าพอใจกิเลสกรมก็ติดพันและติดข้องขณะเดียวกันทำให้ผู้ติดข้องนี่มืดมนไม่รู้ความจริงอย่างที่พระองค์ตรัสว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัดขณะที่ความโลภเกิดขึ้นเนี่ยเห็นอริยสัจไหมก็ไม่เห็นคนโลภย่อมไม่เห็นธรรม ความโลภครอบงํานรชนในขณะใดขณะนั้นเขาก็มีแต่ความมืดขึ้นมาทันทีเนี่ยนะมึดนึกอะไรไม่ออกนึกได้อยู่อย่างเดียวคืออยากได้อะไรไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้อะไรทั้งนั้นเนี่นะมันคนที่ถูกหลอกในโลกนี้เนี่ยนะเห็นแต่เห็นแต่ผลประโยชน์ที่ตัวเองพึงได้รับใช่ไหมไอ้ไอพิษภัยทุกโทษที่ตัวเองจะสูญเสียตรงไหนนี่นึกไม่ออกเลยเห็นแต่ส่วนที่ตัวเองจะได้ก็เลยอะไรถูกคดถูกโกงถูกหลอ ก, ถ, ก, ลอกถูกลวงอะไรทั้งหลายแหละก็เกิดจาก ความโลภที่ไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้ดีรู้ชั่วไปเลยเนี่ยนะหมกมุ่นติดพันไปฉะนั้นจึงชื่อว่าอันทีกตาเพราะถูกกามเนี่ยกระทาผู้ไม่มืดทำให้เป็นคนมืดพระศาสดาออกจากกรงสาวัตถีสเสด็จไปยังพระเฉตวัรในระหว่างทางทอดพระเนตรเห็นปลาเป็นจํานวนมากไม่สามารถจะเข้าไปสู่ใส ที่พวกชาวประมงดักได้ในแม่น้ำอจิรวดีครั้นต่อมาก็ได้เห็นลูกโคที่ยังไม่ทิ้งนมตัวหนึ่งร้องร้องว่าโคติดตามแม่โคไปยื่นคอไปเพื่อจะดื่มน้ำนมน้อมปากเข้าไปในระหว่างขาแม่โคลำดับนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังวิหารล้างพระบาททั้งสองแล้วประทับนั่งบน บ, นบวรพุทธาฏที่บรรจงจัดไว้ทรงถือเอาสองเรื่องข้างหลังโดยเป็นอุปมา ข, ของเรื่องก่อนก็เปล่งอุทาน แปลงอุทานว่าอย่างไงนะเรียกว่าพวกที่ถูกกิเลสมารผูกพันเอาไว้ก็ไล้ไปสู่ความตายเหมือนตาในปากไซเหมือนกับลูกโคที่ยังต้องดื่มน้ำนมที่แม่โคฉะนั้นนั้นกามมันทาได้แก่ทำกระทำความมืดมนในวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกามทำให้อ่าไม่ให้มองเห็นไม่ให้มองเห็นอะไร ไม่ให้มองเห็นว่าวัตถุที่ตัวเองเพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในใจตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่นําไปสู่พบใหม่เป็นธรรมดาไม่รู้พิษภัยของสิ่งที่ตัวเองเพลิดเพลินและไม่รู้จักว่าไอ้ความเพลิดเพลินของตัวนี่แหละจะนําไปสู่วัตฏะในพบใหม่บทว่าชาละสันชันนาความว่าดารดาทัวพันได้แก่ถูกตันหา เป็นเหมือนตาข่ายครอบงำเพราะเกิดขึ้นสืบสืบไปโดยพบอารมณ์เบื้องต่ําและเบื้องสูงตัณหาเนี่ยพาไปชอบไปเรื่อยชอบในอัตภาพของตนชอบในอัตภาพของผู้อื่นนะครัแต่พูดอีกในหนึ่งก็บอกว่าติดพันใ น, ในอารมณ์เบื้องต่ําเบื้องสูงติดพันในอัตภาพของตนและผู้อื่นติดพันในอนายตนะภายในและภายนอกนะและในธรรมที่อาศัยอายตนะภายนอกนั้น ท่านแล้วก็ยังติดพันในธรรมะต่างโดยอดีตอนาคตและปัจจุบันการติดพันหมกมุ่นเหล่านั้นนำแต่อนาถะอนาถะแปล ว, ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนห่วงน้ำใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยตาข่ายที่มีช่องอันละเอียดเช่นั้นห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลไปมีตาข่ายดักๆๆๆเนี่ยนะปลาทั้งหลายที่ไปตามห่วงน้ำเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ก็ถูกชอนถูกชาเ อ, อถูกไปเข้าไปในตะข่ายก็ดินเนนะก็เสร็จเลยบทว่าตันหาชัธนะชาทิตาได้แก่อันเขาปกปิดคือมุงบงังด้วยเครื่องมุงบังคือตันหาเหมือนน้ำที่สาหรายปกปิดเอาไว้ฉะนั้นเขาบอกว่าข้ามองเห็นน้ำที่มีแต่จอกมีแต่แหนเต็มพิดไปหมดชั้นใดหมู่สัตว์นี่ถูกตันหาครอบไว้อย่างนั้นเนี่ยนะ เงยแทาแทบจะลืมหัวไม่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยที่จริงก็ลืมไม่ขึ้นเนี่ยโผลไม่ได้อยู่แล้วนะโผลจากวตฏะไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแต่ถูกแต่วัตะก็อุปมาเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าปุตตชนคนข่าวทั้งหลายเหมือนจมอยู่ในห่วงน้ําทะเลจมอยู่ตรงลึกเลยแหละเป็นพระโสดาบันเหมือนกับโลเห็นท้องฟ้าเป็นพระสกท า, าคามีเหมือนกําลังไหวยอยู่ถ้าเป็นพระนาคามีนี้เกือบถึงฝั่งแล้ว แต่ว่ายืนยืนอยู่บนพื้นและก็เกือบถึงหวัวเป็นผ้าหานก็ขึ้นบอกเรียบร้อยนะปุตุชนทั้งหลายก็เลยว่าเรียกอยู่ท่ามกลางห่วงน้ําข้างบนก็น้ําข้างล่างก็น้ําซ้ายขวาหน้าหลังก็ถูกแต่ห่วงน้ําครอบงําท่วมทับฉันใดปุตุชนทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นลืมตาก็ตันหาพาไปนะได้ยินทุกทวารทุกอารม ณ, ทรมณ์ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะนั้นเรียกว่าอยู่ในเครือข่ายแห่ง ตันหามันครอบงาท่วมทับถูกวางกับดักไว้ด้วยอํานาจของตันหาทั้งนั้นนะนะก็คิดดูนะว่าตันหาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ออกแบบเข้าของทุกชนิดในโลกนี้นะตันหาทั้งนั้นแหละพาออกแบบทั้งหมดเนี่ยนะพันธะเขาออกแบบด้วยตันหาก็เขาก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเขาออกแบบจนเขาติดเสร็จก็ให้คนอื่นช่วยช่วยชยติดพันธุ์การออกแบบทุกอย่างในโลกนี้มือพื้นฐานจากตันหาเป็นปัจจัยนี่เขาบอกว่า ถ้าตันหามันชอบอันนั้นจะมีราคาดีเนี่ยนะอะไรก็ได้ขอให้ตันหามันชอบจะประมูลขึ้นหมดอ่ะนะขอให้ทุกคนมีตันหามากๆของนั้นจะขายดีมากถ้าว่าตันหาไม่เอาอ่ะสายหัวปั๊บเมื่อไหร่ก็นะเตรียมขาดทุนได้เลยนะมันถ้าส่งเสริมตันหาได้สําเร็จก็ร่ารวยว่างั้นถ้าถ้าสนองตันหาไม่ได้ก็หมดแล้วนะมันโลกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเป็นโลกที่ ถูกครอบงําปกคลุมให้ลุ่มหลงด้วยอำนาจของตันหาฟังคำนะตันหาเลวร้ายมากนะแต่มันกระสิบในใจอร่อยนะเห็นผลไม้ปุ๊บอร่อยนะอย่างเงี้นะคือตันหามันไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันติดนะไม่ไม่บอกอ ด, ดีดีอะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเพลดิดเพลินหน้าติดหน้าคล่องชวนให้ลุ่มหลงไปหมดนะนะชวนให้ลืมว่าตัวเองจะต้องเกิดในภพใหม่นะเหมือนอย่างว่า ไปเที่ยวชมสวนดูดอ ก, ดอกไม้ดอกนี้ก็ ง, งามดอกนู้นก็ ง, งามจนลืมว่าเออนี่เรากําลังเดินอยู่ในดินแดนศัตรูที่เขากําลังจะตัดหัวอยู่นะเห็นดอกไม้ไปไม่กี่ดอกลืมตัวเลยนะลืมตัวเลยตายเลยคนนี้ตายแล้วก็ไปต่ออีกตันหานี่ปกปิดครอบคลุมไว้อย่างนั้นด้วยบทที่สองแสดงถึงว่าการนํากุศลจิตที่มีการมาฉันทานิวอร น, นี่กางกั้นผนกิเลสเนี่ยกางกั้นทําให้กุศลจิตไม่เกิดเลย บทว่าตมัตตะพันทุนาพันธาได้แก่กิเลสมารและเทวปุตตมารผู้ที่ถูกกิเลสมารผูกพันไว้ด้วยอารมณ์ใดก็ชื่อว่าถูกเทวปุตตมารผูกพันไว้ด้วยอารมณ์นั้น ก, ก็จริงนะถ้ากิเลสชอบสิ่งใดเนี่ยนะเทวปุตก็ก็เชียร์ใหญ่เลยเออดีดี ด, ดีส่งเสริมกันใหญ่เลยนะก็ลองใครชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอีกหลายฝ่ายก็จะมาช่วยกันเชียร์เลยนะนเทพปุตตมารเทวพิดามารก็ช่วยช่วยกันอยู่นะั่นแหะ อย่างที่กล่าวว่าดูก่อนสมณะเราจากักเราเนี่ยจักผูกท่านเอาไว้ด้วยบ่วงคือใจเป็นอันนะที่ท่องเที่ยวไปในกลางหาวท่านจะไม่พ้นจากบ่วงของเราไปได้พญามารก็บอกว่าขอให้ท่านแต่มีตันหาเถอะข้าพเจ้าจะมัดท่านอยู่มือเลยแล้วกันเลยมัดกันไปมัดกันมาอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเทวปุตตมารก็ชื่อว่าประมัดพันธุประมัดพันธุนี่แปลว่าเผ่าพันุ์ของผู้ประมาทพันก็คือผูกนะผูกไว้ด้วยความประมาท แล้วก็เลยทำให้พินาศเหมือนกิเลสมารเปรียบเหมือนว่าปลาในปากใสปลาทั้งหลายเนี่ยเข้าไปยังปากใสที่ชาวประมงดักไว้เป็นปลาที่ติดใสย่อมไปคือถึงความตายฉันใดเราสตว์นี้ก็ฉะนั้นเหมือนการผูกพันไว้ด้วยเครื่องผูกคือกรมะคุณที่มารดักเอาไว้ก็เข้าถึงชราและมรณะทีเดียวเหมือนลูกโคที่ยังไม่ทิ้งนมติดตามแม่โคไปฉะนั้น เหมือนโครุ่นตัวยังไม่ทิ้งนมโคเล็กโคน้อยโคเด็กเนี่ยนะติดตามแม่โคของตัวไม่ติดตามโคตัวอื่นชันใดสัตว์ที่ผูกพันไว้ด้วยเครื่องผูกคือมารก็ฉะ น, นั้นหมุนเวียนไปในวัฏสงสารติดตามคือตามไปสู่มรณะถ่ายเดียวอนนะไปไหนอันนะตังน้งคาถามเพราะว่าติดตามไปสู่มรณะถ่ายเดียวนี่พูดเพราะมากเลยนะ น่าแปลตรงๆบอกไปไหนก็ไปตายกันยังไงเนี่ยนะก็ไปเพื่อจะตายนั่งรอความตายไปตายเดินเพื่อรอความตายก็สรุปว่าไหลไปสู่ที่ตายเมื่อตายแล้วทาไงก็เกิดใหม่ไปจะได้อะไรอีกอะไรไปตายต่อเนี่ยนะครับอยู่แค่เนี้ไปไหนไปเกิดเกิดเพื่ออะไรก็เพื่อไปตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วเพื่อไปตายก็อยู่แต่อย่างนี้แหละไม่ไปตามอมตะนิพานอันไม่ตายแทนที่จะแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายกลับไม่ ไปคิดหมกมุ่นลุ่มหลงพาใจคิดหาแต่ความตายเนี่ยนะจากที่ตายที่หนึ่งก็ไปสู่ที่ตายอีกที่หนึ่งไล่ไปหาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตายไม่คิดแสวงหาว่าสิ่งที่ไม่ตายคืออะไรหนอก็ไม่มีปัญญาแบบสุเมธบัณฑิตใช่มนะสุเมธบัณฑิตบอกว่าขึ้นชื่อว่ามีความเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีสิทำที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคืออะไรอยู่ตรงไหนเนอะ นะก็เลยสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเพื่อจะได้สแสวงหาบทอันไม่ตายเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบบทอันไม่ตายก็ต้องสแสวงหาอริยมรรคถ้าพบอริยมรรคจะพบพระนิพพานถ้าหายังไม่เจออริยมรรกก็จะไม่พบพระนิพพาก็ปกตินะมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดตามไปเพื่อตายโดยส่วนเดียวไม่ติดตามไปสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายเนี่ยนะส่วนคนที่สั่งสมบุญบารมีเนี่ยนะก็ทําบุญเพื่อเพื่ออะไร เพื่อพระนิพพานเพื่อความไม่ตายนะนะเพื่อความไม่ตายแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวลาบอกว่าเออเนี่ยฉันนึกถึงนิพพานที่ไม่ตายเชื่อไหมสิ่งที่คุณคิดนี่คือสิ่งที่ตายเป็นอีกนั่นแหละเพราะนิพพานของสัตว์ทั้งหลายโดยมากนึกถึงรูปถ้ายังนึกถึงรูปก็ยังชื่อว่านึกถึงความตายอีกอยู่ดีท่านนึกถึงเวทนาก็ยังชื่อว่านึกถึงความตายถ้านนึกถึงสัญญาสังขารและวิญญาณก็ชื่อว่ายังนึกถึง ความตายถ้ายังนึกถึงขันห้าอยู่ก็จะไม่พ้นไปจากความตายท่านนึกออกจากขันห้ า, าได้เม ah. ื like blah, <im tr pasa> ่อไหร่ก็เลิกตายนีนะก็กว่าจะออกจากขันห้าแต่ออกไม่ง่ายหรอกเนี่ยนะเหมือนปลิงเลยนะท่านบอกว่าเหมือนปลิงนะแกะที่หัวติดที่ท้ายแกะที่ท้ายติดที่หัวเนี่ยนะมันมีสองแบบนะก็แกะทั้งเกาะแกะแกะหัวติดท้ายแกะท้ายติดหัวแกะหัวติดท้ายแกะท้ายติดหัวมันกัดได้ทั้งสองข้างอย่างนี้จะว่าไงนะมันยากอย่างนี้แหละ